สมชายพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงตอนพลบค่ํามีรถจอดอยู่ที่ลานจอดรถหลายคันทั้งรถกระบะรถตู้รถเกง๋งและรถมอเตอร์ไซค์แสดงว่าคนที่มานั้นจะต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือรีบด่วนชนิดที่รอให้ถึงวันพระไม่ไหวเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางอยากจะพักผ่อนส่งน้ําส่งท่า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 และยอมทนทุกข์เพื่อความสุขของผู้อื่นในโลกนี้จะมีบุคคลที่เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นท่านสักกี่คนมีใครบ้างที่ยอมทนทุกข์เพื่อความสุขของผู้อื่นโยมกินข้าวกันหรื อ, อยังเป็นคำถามแรกที่ท่านถามเรื่องปากเรื่องท้องย่อมมาเป็นอันดับแรกสำหรับบุคคลที่ยังเป็นผู้ครองเรือน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 ผูกแม่ครัวคงไม่ตามมาบริการน้ำถึงที่กุติลูกศิษย์หลวงพ่อที่เขาอยู่กุตินี้ละครับคนสูงๆผอมๆเมื่อกี้ก็ยังมาจัดคิวให้ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนเสิแล้วคนพูดมองหน้ามองหลังเพื่อค้นหาคนที่มาบริการน้ำท่านพระครูต้องการคําตอบจึงต้องพึ่งเห็นหนอก็รู้ว่าบุรุษผู้มากับก้อนหินนั่นเองที่มารับแขก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 เขาไม่เคยเข้าวัดแต่ทำไมรู้จักหลวงพ่อก็ไม่ทราบคนเป็นพี่เขยสงสัยเขาบอกมาตั้งแต่เมื่ อ, อไรละ่ะท่านพระครูถามหลายคืนแล้วครับผมกับพันยาก็ลืมอยู่เรื่อยเขามาบอกสามครั้งแล้วเขาตายนานหรื อ, อยังแล้วเป็นอะไรตายตายมาสักปีเห็นจะได้ เป็นไข้าตายครับอายุเท่าไรตอนที่ตายนะ่ะ23่สครับเพิ่งเรียนจบและทำงานได้ปีเดียวทำไมเขาถึงอายุสั้นและครับหลวงพ่อผมแปลกใจว่าชีวิตเขาดีมาตลอดแต่ทำไมอยู่ดีๆก็มาตายเขาเป็นน้องคนเล็กของพัน ญ, ญาผมเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเพราะสงสารที่กาพร้าพ่อแม่และตอนนั้นผมกับพัน ญ, ญาก็ยังไม่มีลูก เขาเรียนเก่งมากครับได้ที่หนึ่งของจังหวัดตอนจบมส ส, สแล้วก็ไปสอบเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมจบจากโรงเรียนเตรียมเขาก็สอบเข้าเรียนต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยตอนจบก็ได้เกียรตินิยมอันดับสองแล้วก็เข้าทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์มาปีที่แล้วเขาเป็นไข้ก็ไข้หวัดธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหลวงพ่อไม่น่าตายเลย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 หน้าตาเขาเป็นอย่างไรมีครับพอดีพัญญาผมเขาบอกให้เอารูปถ่ายติดมาด้วยนี่ครับพูดพลางส่งรูปถ่ายขนาดสามนิ้วให้ท่านพระครูท่านรับมาพิจารณาแล้วกำหนดเห็นหนอก็เห็นกฎแห่งกรรมของผู้ตายอย่างชัดเจนจึงพูดขึ้นว่าน้ำมันหมดนโยม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 มันก็เลยหมดพอไปอดไปอยากเข้าถึงได้ระลึกรู้ถึงกรรมที่ตนทมก็เลยเร่ร่อนมาถึงวัดป่ามะม่วงเอาเถอะแล้วอาตมาจะจัดการให้ท่านถือโอกาสสั่งสอนผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นด้วยว่าญาตโยมทั้งหลายโปรดทร า, าบบาปบุญนั้น มีจริงจิตวิญญาณมีจริงและสังสารวัตก็มีจริงดูตัวอย่างแม่หนูคนนี้เอาไว้ตอนมีชีวิตยอยู่เขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะฉลาดเรียนหนังสือเก่งแต่ก็เป็นคนฉลาดทางโลกเท่านั้นซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้เฉพาะตอนที่มีชีวิตยอยู่ แต่พอตายวิชาความรู้ทางโลกมันช่วยเราไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีในภพหน้าก็ต้องสร้างคุณงามความดีเข้าไว้บุญกุศลเท่านั้นที่สามารถจะติดตามเราไปในภพหน้าได้ส่วนสมบัติพัฒสถานเอาไปไม่ได้ ผมเห็นจะต้องลากลับนะครับหลวงพ่อมาตั้งแต่เช้าคิดว่าจะไม่ได้พบหลวงพ่อแล้วบุรุษวัยสี่สิบเศษทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปรายที่สองกำลังจะคลานเข้ามาแทนที่ชายวัยห้าสิบเศษก็กระหืดกระหอบเข้ามาในกุฏิพูดแต่ล่ำละลักว่าหลวงพ่อช่วยลวยแม่อว้วกแม่อว้วก เทาแก่คิวอ้วอย่าลัดคิวสิเจ้าทุกรายที่สองซึ่งเป็นสตรีร่างขาวทวมขัดจังหวะขึ้นขอโทษขอโทษ้วยแมมอ้วแมอแมอ้วกํำลังจะซี่เลียวหลงพอไปช่วยอีหน่อยประโยคหลังเขาพูดกับท่านพระครูท่าทางดูร้อนรนน่าสงสารและน่าสมเพชตะคนกันจะให้อาตา ม, มา ช่วยอะไรล่ะเท่าแกอาตมาไม่ใช่มดไม่ใช่หมอสักหน่อยท่านออกตัวหลายหลหลวงพ่อต้องช่วยหลายถึงไม่เป็นหมอก่อช่วยหลายหลวงพ่อช่วยอย่าให้อีตายนะแล้วอ้วจะทำบุญกับหลวงพ่อสักสองมึงเขาให้สินบนด้วยความเคยชินคนหลายคนในที่นั้นแสดงอาการไม่พอใจชายผู้นี้ มาลัดคิวคนอื่นแล้วยังแสดงอาการดูถูกท่านเจ้าของกุฏิอีกด้วยแหมถ้าอาตมาช่วยได้คนก็ไม่ต้องตายกันนะสิแล้วอาตมาก็คงรวยไม่รู้เรื่องเทียวละแล้วท่านจึงพูดให้เขาเข้าใจเสียใหม่ว่าอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกเท่าแกฉะนั้นอาตมา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 ยังไปไม่ได้หรอกเท่าแก่หรือกลับไปก่อนเธอพรุ่งนี้อาตมาถึงจะไปเห็นหรือเปล่าแขกเต็มกุฏิเลยถ้าอีซีไปกล่องละหลงพอ่อใครจะบอกทางให้อีเธอหน้าอียังไม่ซีหรอกอีรอให้อาตมาไปบอกทางก่อนรับรองถ้าอีซี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 ไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณสตรีร่างทวมที่ให้ลัดคิวหลวงพ่อคะลูกสาวฉันจะขึ้นบ้านใหม่วันที่24นิมนต์หลวงพ่อไปทำพิธีด้วยนะคะเจม้วยรายงานหล่อนมาวัดบ่อยจึงคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีอาตมาไปไม่ได้หรอกโยมวันที่24ตรงกับวันพระ เป็นวันที่อาตา ม, มาไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกต้องอยู่ต้อนรับญาติโยมเขา้าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยแนะนําฉันด้วยว่าควรจะให้ใครเป็นคนทําพิธีแล้วช่วยดูวันด้วยว่าเป็นวันดีหรือเปล่าเป็นชาวพุทธที่แท้ต้องไม่ถือเลิกยามนาโยมถ้าเราจะทําความดีทําวันไหนมันก็ดีทั้งนั้น ในทางตรงข้ามถ้าจะทำความชั่วทำวันไหนมันก็ชั่วอยู่วันยังคำ่ำเอาเถอะถ้าตัดความคิดเรื่องเริกยามออกไปไม่ได้อาตมาก็ขอแนะนำให้ถือวันพ่อฤหัตว่าเป็นวันเริกดีอันนี้เป็นทัศน่วนตัวของอาตมานะอาตมาถือวันพ่อฤหัตว่า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 เป็นบูรพาจารย์ของบุตรบูรพาจารย์ก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองท่านหันไปพูดกับเจมุวยว่าโยมมุวยจําไว้นะถ้าจะถือวันก็ให้ถือว่าวันพฤหัสเป็นวันดีไม่ต้องไปเชื่อตามหมอดูว่ามันจะเป็นวันโลกาวินาทหรือวันทงชัยอะไร ถ้าเรานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องถือว่าวันพฤ ห, หัสเป็นวันมงคลเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจค่ะลุงพ่องั้นฉันจะขอเขาเปลี่ยนเป็นวันพฤ ห, หัสก็ต้องเลื่อนออกไปอีกสามวันหลุงพ่อไปได้หรือเปล่าคะ่ะเดี๋ยวขออาตา ม, มาตรวจ ด, ดูสมุดบันทึกก่อน ท่านหยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่ามแล้วเปิดดูไม่ได้เสียแล้วลหรโยมวันพฤหัสหน้านายพลกับคุณยิง้งเขาจะพาหลานมาบวชเนนที่วัดนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องให้อาตมาไปก็ได้ประเดียวจะบอกวิธีปฏิบัติให้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างงั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่า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 ไม่มีค่ะบ้านลูกสาวฉันไม่มีพระมีสิทำไมจะไม่มีก็โยมนั่นแหละเป็นพระของเขาโยมก็เจิมได้หรือไม่ก็ให้เตี่ยเขาเป็นคนเจิมพ่อแม่เป็นมงคลอันสูงสุดของลูกนโยมเห็นจะไม่ได้แล้วลระคคะหลวงพ่อเพราะเตี่ยเขาตายไปนานแล้วและฉันก็เจิมไม่เป็น จะยากอะไรเล่าก็เอานิ้วจิ้มแป้งแล้วก็จิ้มจิ้มไปที่ประตูจิ้มส่งเดชไปเธอะปากก็พูดไปด้วยว่ารวยรวยหรือจะว่าเป็นภาษาจีนก็ได้ว่าสิ่งลีฮ้อสิ่งลีฮ้อท่านใช้นิ้วทีจิ้มไปในอากาศเป็นการสาธิตให้ดูปากก็ว่ารวยรวย สิงลีหอสิงลีหอทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะด้วยขำในคุริยาอาการของท่านสาธิตเสร็จก็บอกเจม้วยว่าง่ายจะตายไปทำได้ไหมละ่ะเดี๋ยวอัตมาจะให้แป้งที่จะเจิมไปด้วยเสกไว้แล้วแม้ท่านจะไม่นิยมการเสกเป่าแต่กับคนระดับหนึ่งก็จำเป็นต้องใช้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 เป็นสร้อยคอทองคำหนักหลายบาทข้างฝ่ายพัญญาก็ใส่เพชรทองเต็มตัวสวมแหวนเพชรพลอยเกือบจะทุกนิ้วหลุงพ่อครับผมขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวเป็นความลับครับขออนุญาตไปคุยข้างบนได้ไหมครับฝ่ายสามีขออนุญาตจะเอาอย่างนั้นหรืองั้นคนอื่นๆรอก่อนนะคงใช้เวลาไม่มาก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 ที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้คือคนที่เป็นโรคประสาทกับคนติดยาเสพติดหมายความว่าหลวงพ่อไม่ช่วยลูกดีฉันเลยหรือคะได้ปโปรดกรุณาเทอดคะ่ะเรามีเงินทองมากมายถ้าหลวงพ่อช่วยได้จะให้เราสร้างอะไรให้กับวัดนี้เราจะทำทุกอย่างขออย่างเดียวให้หลวงพ่อช่วยลูกเราด้วยพัญญาคหาบดีพูดเสียงเครือ แม้จะตกแต่งร่างกายไว้อย่างสวยงามด้วยเสื้อผ้าอาพรราคาแพงหากดวงหน้าของหล่อนก็เศร้าหมองเพราะความทุกข์ทุกของคนที่เป็นแม่ซึ่งย่อมร้อนรนกระวนกระวายเมื่อรู้ว่าลูกต้องประสบเพศภัยอันใหญ่หลวงความทุกข์ที่เงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจช่วยขจัดปัดเป่าได้ โยมอย่าตีความผิดสิโยมไม่ใช่อาตมาไม่ช่วยอาตมาอยากจะช่วยโยมทุกอย่างแต่เรื่องของยาเสพติดอาตมาไม่สามารถช่วยได้เคยมีพ่อแม่พาลูกมาให้อาตมารักษาอาตมาก็บอกเขาไปตามตรงว่าคนที่ติดยาเสพติดนั้น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 พอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ไปเสพอีกอาตมาว่าต้องตัดใจนะนึกเสว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาถ้าป่วยเป็นไข้ธรรมดาธรรมดาหมออาจรักษาให้หายได้แต่ถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรมไม่มีหมอที่ไหนช่วยได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาให้โยมทั้งสอง พยายามวางใจให้เป็นอุเบกขาเถิดจะได้คลายความทุกข์ร้อนลงบ้างท่านพยายามปลอบใจลุงพ่อครับลูกชายผมทำกรรมอะไรมาทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ลุงพ่อกรุณาตรวจสอบให้ด้วยเถิดครับเพื่อผมกับพัญญาจะทำใจได้ปกติอาตมาจะไม่ตรวจสอบให้ใครหรอกนะ เพราะอยากให้เจ้าตัวเข้าปฏิบัติเองจะได้รู้เองเห็นเองแต่ในเมื่อโยมขอร้องอาตมาก็จะตรวจสอบให้ท่านช้เห็นหนอตรวจสอบก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของคนในครอบครัวนี้อย่างครบครันการที่บุตรชายของขหาบดีผู้นี้ต้องติดยาเสพติดเป็นเรื่องกรรมจัดสรร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 ขายอะไรช่วยบอกชื่อสินค้าที่ทำรายได้ให้โยมถึงร้อยล้านพันล้านนะบอกมาซิก็ผูกเสื้อผ้าผมมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศขหาหบาดีไม่ยอมพูดความจริงแต่มันไม่ตรงกับที่อาตมาตรวจสอบนะเรื่องเสื้อผ้า เป็นเพียงเครื่องแสดงให้เห็นว่าโยมมีอาชีพเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำเงินให้โยมเป็นพันล้านนะ่ะไม่ใช่เสื้อผ้าเอาเถอะถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่จงรู้ไว้ซะ ด, ด้วยว่าถ้าโยมไม่เลิกกรรมก็จะตามมาถึงลูกชายอีกสามคนที่กำลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพต่อไปเขาจะต้องติดยา ตามพี่ชายเขาพัญญาขหาบดีร้องไห้โฮออกมาพร้อมกับสารภาพว่าใช่ขอะลุงพ่อเหี้ยคกค้าผงกิมเองฝ่ายสามีเรียกชื่อพัญญาด้วยเสียงที่ดังจนเกือบเป็นตะคอกหล่นฟูมฝ่ายน้ำตาบอกกับเขาว่าสารภาพกับท่านเธอเฮียเผื่อท่านจะช่วยเราได้ ที่อยากเห็นลูกๆเราตายอย่างทรมาหรือไงคำพูดของภัญญาทำให้ข้าพอดีคอตกไหนจะถูกพัญญาเปิดเผยความลับไหนจะห่วงอนาคตของลูกและที่กลัวมากที่สุดคือกลัวถูกฆ่าปิดปากเคยเห็นคนถูกฆ่าตายอย่างทารุณเพราะเรื่องเช่นนี้มาแล้วโยมไม่ต้องกลัวว่าอาตมา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 ที่จะแก้ไขได้คนที่หลงเข้าไปในวงการนี้ต้องถือว่าเป็นกรรมโยมอยากเลิกไหมเหล่าอาตมาพ่อจะมีทางช่วยนะเลิกไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อถ้าเลิกผมต้องตายแน่ๆเขาคงไม่ปล่อยให้ผมลอยนวลอยู่หรอกครับโยมตอบอาตมามาก่อนว่าอยากเลิกหรือเปล่ารับรองว่า อาตมาช่วยได้แน่อยากครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ผมมองไม่เห็นทางเลยเอาละ่ะถ้าโยมตั้งใจว่าจะเลิกก็ขอให้เชื่ออาตมาโยมต้องพากันมาสร้างบุญบารมีที่นี่มาทั้งบ้านเลยคือเอาลูกชายอีกสามคนมาด้วยส่วนคนโตช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยเข้าไป มาช่วยสร้างวัดหรือคะดิฉันเต็มใจค่ะจะให้ช่วยเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นางกิมเองรีบเสนอตัวไม่ต้องหอกโยมเรื่องวัตถุวัดนี้เพียงพอแล้วการสร้างบุญบา ร, รมีที่อาตมาว่านี้ไม่ต้องเสียเงินเอาเถอะพากันมาก็แล้วกันแล้วอาตมาจะบอกวิธีให้ ต้องเร็วหน่อยนะไม่งั้นจะสายเกินแก้ครับผมจะพากันมาพรุ่งนี้เลยครับผมเห็นจะต้องลาก่อนพรุ่งนี้จะมาใหม่สองสามีพันยาลากลับไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังเพิ่งตระหนักชัดเดียวนั้นเองว่าเงินร้อยล้านพันล้านก็ช่วยดับทุกข์ใจไม่ได้กว่าแขกคนสุดท้ายจะลากลับไปก็ตกสองยามเศษ เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขาพักผ่อนหลับนอนกันหากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะส่งน้ำจากนั้นท่านจึงขึ้นมายัางห้องพักซึ่งอยู่ชั้นบนของกุฏิลงมือเขียนหนังสือสอบอารมณ์กรรมฐานต่อไปอีกสองชั่วโมงจนถึงเวลาตีสองจึงจำวัดคนอื่นๆเขาพักผ่อนหลับนอนกันวันละหถึงสิบชั่วโมงแต่ท่านพระครูเจริญพักผ่อน วันละสองชั่วโมงเป็นอย่างมาก